ก้อนนี้ไปพึงพากันตั้งใจทำใจของตนให้ดีใจนหะสำคัญกลัวทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่มีใจดวงนี้กายก็ไม่มีต้องพิจารณาให้มันเห็น แต่ใจดวงนี้มันยังไม่ฉลาดพอมันยังไม่รู้จักทุกยังไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกมันยังไม่รู้จักความดับทุกมันยังไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกมันจึงท่องเที่ยวอยู่ในสงสารนี่ มันเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปมันเห็นเหตุให้เกิดทุกข์มองเห็นว่าเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสบายไปมันเห็นเคลื่อนข้าดไปจากความจริงอยู่เสมอไปที่ล่วงแล้วมาดังนั้นมันจิงพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ พอถึงได้มาเกิดแล้วก็มาต่อสู้กับความทุกข์อยู่อย่างนี้แหละหรือว่าใค ร, หรเห็นว่ามันเป็นความทุขหรือว่ายังไงการเกิดมามีขันห้าอันนี้ลองพิจารณาดู แล้วก็ยังว่านั่นแนหะมันก็ไม่มีแต่ทุกข์สุขมันก็มีสุขนี่แหละเป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกข์คนมองเห็นแต่ความสุขเล็กๆน้อยๆอ น, นั่นแหละแล้วก็ติดใจอยู่ในความสุขเหล่านั้นวันนี้เมื่อความสุขเหล่านั้นมันแปรผันไปก็เสียใจ พความสุขชั่วคราวเป็นของไม่ยั่งยืนมันมีความแปลผันไปได้เมื่อความสุขดับไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนไม่ใช่ว่ามันว่างๆหรือเฉยนะร่างกายสังขารอันนี้เมื่อความสบาย ละงับไปความไม่สบายมันก็เกิดขึ้นมาแทนมันเป็นอยู่อย่างนี้ผู้ที่ไม่ไม่รู้จักทุกก็เพราะเหตุว่าไปปล่อยให้ตัณหามันครอบงมจิตใจเอาทำให้ใจนั้นเพลิดเพลินไปตามโรคเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส อันที่โลกเขาสมมุติว่าน่ารักน่าใครน่าพอใจต่างๆถ้าเป็นคฤหัดอย่างนี้ก็เพลินไปจนเป็นเหตุให้เกิดทะเลาะวิวาดกันในระหว่างครอบครัวถ้าระหว่างผัวเมียอย่างนี้ก็ต้องได้ย่าร้างกันก็มี เพราะความเพลินไปในกรรมคุณนี่แหละมันไม่รู้จักอิมถ้าเป็นนักบวช่างนี้ก็ไม่สามารถจะรักษาพระวินัยไว้ได้ย่อมล่วงวินัยผู้เพลินไปในกรรมคุณเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พึงระมัดระวังผู้เป็นนักบวชก็ดี ต้องรักษาจิตตวงนี้ให้ดีไม่เช่นนั้นแล้วก็จะพบแต่ความทุกข์จะไม่พบความสุขเลยก็เป็นความจริงนะคนเรานี่มันไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหานี่ ไม่ควรที่จะปฏิเสธนะต้องยอมรับทีเดียววะไม่ยอมรับยังไงแล้วสำหรับผู้ครองเรือนอย่างนี้นะมันก็อาศัยตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสนะั่นแหละเป็นมูลเหตุให้แสวงหา รูปเป็นต้นเหล่านั้นเมื่อได้มาแล้วมันก็เป็นเหตุให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนต้องทำมาค้าขายต้องทำนา ท, ำทําสวนต้องกลา ก, กรรมลำบากด้วยการงานหามาเรียงครอบครัวเพราะว่าเมื่อมีคู่ครองมาแล้วมันก็ต้องมีลูกมีหลาน จำเป็นที่จะต้องเลี้ยงนั่นนะต้องกำพ้นทนแดดแล้วก็บ่นพิไร ล, ลำพันธ์ต่างๆ น, นานาทำยังไงตนมันหลงมาแล้วพ อ, อถ้าหากว่ารู้อย่างนี้นี่ก็จะไม่สนใจกับมันเลยปรับทุกต่อกันหรือไปหาพระก็ปรับทุกข์กับพระ าาก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละก็เมื่อเวลามัวเมาประมาทอยู่นู่นใครจะแนะนำตักเตือนเท่าไรก็ไม่ฟังก็ดื้อดันไปอยู่อย่างนั้นเนี่เมื่อเวลาได้ประสบกับความทุกข์แล้วมันแก้ไม่ตกแบบ น, นี้นะเพราะมันถูกเครื่อง ลึงรักจิตใจไว้พอแรงมันถูกกิเลสตัณหาผูกมัดรัดตรึงเอาไว้จนแก้ไม่ออกเลยนี่แหละคนไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ต้องได้พบกับความทุกข์เช่นนั้นเมื่อไม่ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ไม่รู้จักที่ดับทุกข์ นันแะเพราะว่ามันสร้างเหตุให้เกิดทุกข์เรื่อยไปอย่างนี้นะต่อเมื่อได้ได้มาพิจารณาทวนกระแสจิตเข้ามาภายในให้จิตมันสงบลงบานี่จึงมาเห็นโทษของตัณหาอนนอนนอนนเออที่มันเป็นทุกข์เกิดทุกวันนีนะ่ก็เพราะตัณหานี่แหละ เพราะความอยากของจิดดวงนี้แหละเอาละบัดนี้เราจะไม่อยากในสิ่งที่มันให้เกิดทุกข์นั่นแหละถ้าลึกได้อย่างนี้แล้วกำหนดใจละความอยากนั่นนั่นเสียความทุกข์ใจมันก็ดับไปก็รู้ได้ว่าโอที่ดับทุกข์มันดับตรงนี้ แม้ว่าผู้ครองเรือนมันก็ดับทุกไปตามขั้นตอนของผู้ครองเรือนสำหรับผู้มีปัญญาความอยากอันใดมันเป็นเหตุให้เกิดบาปตามที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ก็ห้ามจิตของตนเสียอย่าให้อยากมันอย่าอยากไปใน ทางที่ก่อให้เกิดบาปเกิดความชั่วต่างๆอันมันจะนำไปสู่นรกอบายภูมินั่นก็งดอยากเสียนี่แต่ความอยากอันใดถ้าตนยังละมันไม่ได้แต่ว่ามองเห็นว่ามันไม่เป็นบาปเป็นโทษพระพุเทธเจ้าทรงอนุญาตอย่างนี้ มันก็ไม่ถึงกับว่าจะเป็นทุกข์อย่างรุนแรงก็เป็นอยู่นั่นแหละทางเป็นทุกข์แต่ว่าทุกข์ไม่หนักเหมือนอย่างทุกข์ที่เกิดจากการทำบาปเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาว่าดื่มสุราเมรยัยกันชายาฟิ่นเฮโรอีนมูนี ความประพทเหล่านี้มันเป็นบาปพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุ้แจ้งแทงตลอดแล้วผู้มีปัญญาทั้งหลายมาเห็นแจ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็หาทางเว้นหมนหาทางลีกมไม่สะสมตัณหานั้นต่อไป เยว่าตัณหาอันใดมันไม่เป็นบาปเป็นโทษแล้วก็เาตามมันไปสักก่อนก็ยังดีนั่นเช่นตัณหาอยากมีลูกมีเมียอย่างนี้ถ้าหากว่ามีลูกมีเมียตามทานองคองทมตามประเพณีไม่ไม่นอกรีธินอกรอย ไม่นอกคำสอนของเพระพุทธเจ้าเช่นนี้มันก็ไม่ถึงกับเป็นบาปเป็นโทษตัณหาประเภทนี้นะสำหรับผู้ที่ยังละไม่ได้ก็ต้องไปตามเรื่องมันซะก่อนแต่ว่าอย่าให้มันเป็นบาปเป็นโทษเท่านั้นเองนะแต่เรื่องอย่างนี้นี่มันต้องอาศัยปัญญา บุคคลผู้มีปัญญาเท่านั้นแหละถึงจะละตัณหาอันเป็นบาปเป็นโทษนั้นได้ถ้าไม่มีปัญญาแล้วก็จนมุมไม่สามารถที่จะละตัณหาเหล่านั้นได้ทีนี้การที่มันจะมีปัญญาได้มันก็ต้องอาศัย เข้าวัดเข้าวาฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบ้างนั่แหละชาวพุทธทั้งหลายเนี่หันหลังให้แต่วัดวาศาสานาแล้วมันจะมีปัญญาถอนตนออกจากบาปจากโทษได้อย่างไรอ่ะเพราะว่าคำสอนของโลกอันนี้นะมันเป็นคำสอนที่สอนให้พ้นจากบาปจากโทษไม่ได้หรอก นอกจากคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีที่จะสอนให้บุคคลละบาปน้อยๆใหญ่ๆทั้งหลายให้หมดไปจากกายวาจาใจนี้ได้ไม่มีมีแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านี้แหละดังนั้นนะเราเป็นชาวพุทธแท้ๆนะก็ไม่ควรจะเป็นชาวพุทธแต่คําพูดเฉยๆ มันควรที่จะศึกษาเรื่องราวของพระพุทธศาสนานี่ให้เข้าใจโดยแจมแจ้งให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราเขารบนับถือสักการะ บ, บูชาเพียงแต่เขารบกราบไหว้บูชาได้ดอกไม้ทูกเทียนเฉยๆเท่านั้นนะแล้วไม่ละชั่วทำดี ตามที่พระองค์เจ้าแนะนำสั่งสอนนั้นมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพียงแค่กราบไหว้บูชาได้ดอกไม้เท่านั้นมันจะพ้นจากนรกอบายภูมิไม่ได้เลยขอให้พากันคิดให้ดีก็เป็นแต่เพียงอุปนิสัยปัจจัยติดตัวไปนิดหน่อยเท่านั้นแหละแต่ว่าไม่พ้นนรกเพราะบคุคคลยังไปทำบาปอยู่ ยังรู้อำนาจแกตันหาอยู่เช่นนี้แล้วมันจะไปพ้นจากนรกไม่ได้เลยผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ควรพยายามน้อมเอาคำสอนของพระพุทธ เ, เจ้าเข้ามาตริตรองพิจารณาอยู่ภายในจิตใจนี่ให้มันเห็นแจ้งด้วยใจของตนเองแท้ๆนั่นแหละ มันถึงจะปฏิบัติตามได้ถ้าไม่เห็นแจ้งด้วยใจของตนในเรื่องบาปก็ดีเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษก็ดีอย่างนี้แล้วมันจะไม่ยอมปฏิบัติตามคนเรานะเป็นอย่างนั้นแต่เห็นแจ้งลงด้วยใจว่าที่สิ่งใดที่พระองค์เจ้าทรงแสดงว่าเป็นบาปมันก็เป็นบาปจริงๆให้มันเห็นแจ้งเลย่ะ นะมันเป็นบาปเพราะเหตุว่าเป็นการไปก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนั่นแหละที่ว่ามันเป็นบาปนั่นแหละเมื่อทำอะไรลงไปแล้วมันก่อทุกข์ให้แก่ตนบ้างให้แก่ผู้อื่นบ้างอย่างนี้มันมันเป็นบาปทั้งนั้นแหละเช่นอย่างการ ประหัตประหารชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นอย่างนี้นะหรือว่าไม่ถึงกับประหารไม่ถึงกับฆ่าแต่ว่าทุกตีให้เจ็บให้ปวดให้เสียองค์คักไรายไปอย่างนี้เนะี่ยมันก็เรียก ว, ว่าทำไปทำบุคคลอื่นให้ทนทุกข์ทรมานไปเช่นนี้แล้วมันจะไม่เป็นบาปอย่างไรแล้วนั่นนไะง โวไปก่อทุกข์ให้แก่คนอื่นบไม่ว่าแต่มนุษย์แม่สัตว์ใดฉันมันก็เป็นโทษเหมือนกันเพราะว่าสัตว์ใดฉันมันก็กลัวตายเหมือนกันมันก็รักชีวิตของมันเหมือนกันมันก็ไม่อยากให้ใครไปทุบไปตีมันให้เจ็บให้ปวดให้ล้มให้ตาย พอมันรู้ว่าใครจะทำลายมันอย่างนี้มันก็ถ้ามีปีกมันก็บินหนีถ้ามีขามันก็วิ่งห น, นีถ้าเป็นสัตว์อยู่ในน้ำมันก็แหวกว่ายน้ำหนีมันจะไม่ยอมให้คนไปทบไปตีไปจับมันง่ายๆเป็นเสือแต่มันจะจนมุมเท่านั้นแหล ะ, ะเราคิดดูเนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายนี่ เกิดมาแล้วนะใครจะไม่รักตัวขัวตายไม่มีเลยพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งอย่างนี้เลยจึงตรัสว่ามันเป็นกรรมเป็นเวร น, นั่นเอยเนื่องจากว่าใครๆก็ไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนตนแม่เบียดเบียนทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นก็ดี เบียดเบียนเมียผัวของผู้อื่นในทางกรรมมคุณก็ดีหมูนี่แล้วเบียดเบียนผู้อื่นโดยกล่าวโกหกหกลงหลอกลวงให้เขาเสียทรัพย์เสียสินก็ดีหมูนี่มันล้วนแต่เป็นเรื่องเบียดเบียนทั้งนั้นลองคิดดูให้ดีและจะไม่ให้มันเป็นกรรมเป็นเวียนอย่างไร การดื่มสุรายาเมากัญชายาผิ่นเฮโรอีนของเสพติดไท้โทษต่งตางๆ ม, มันนอกจากว่าตนเองมืนเมาเออลืมเนื้อลืมตัวไปแล้วมันยังไปกระทบกระทั่งคนอื่นเขา้าอย่างรุนแรงก็มียังเบาๆก็มีรุนแรงก็ถึงกับฆ่ากัน ตายเพราะความมึนเมาก็มีอยู่มากมายในโลกอันเนี้อย่างนี้แหละแล้วการดื่มน้ําเมาเนี่ยจะว่ามันไม่เป็นโทษอย่างไรอ่ะอืนี่แหละ น, น้ําเมาเนี่หละเป็นเหตุให้คนเราเบียดเบียนกันมากมายในโลกอันเนี้ฆ่ากันตายอยู่ไม่เว้นแต่ละวันก็เพราะน้ําเมาเนี่แหละ ก็เพราะความเมาถ้าไม่ดื่มน้ำเมาแต่มันก็เมาในลาบเมาในยศเมาในความได้ความเสียแย่งค้าแย่งขายกันเข้าไปก็วางแผนทำลายล่างฐานชีวิตของกันและกันเข้าไปม น, นี้มันก็ล้วนแต่ความเมาทาง น, นั้นหล เมาอย่างนี้เนี่ยยิ่งยิ่งร้ายกว่าเมาเหล้าเมายาฟินเฮโรอีนอะไรอีกซ้ำเพราะว่ามันเมาไม่รู้จักสั่งเลยอันนี้ถ้าไม่ได้ฟังคำสอนของพระเจ้าไม่รู้แจ้งในคำสอนเมื่อใดแล้วเมาอยู่อย่างนั้นนะ <c oughs> แล้วคนเมาอยู่นั่นนะ่ะไม่ยอมให้อภัยแก่ผู้อื่นเป็นอยงั้นพอผู้อื่นมาขัดขวางจนหน่อยหนึ่งเท่านั้นเลยก็ไม่ยอมให้อภัยคิดทำลายล้างผานกันไปเลยอย่างนี้มีอยู่มากทีเดียวในโลกอันนี้ดังนั้นนะพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอน ให้พุทธบริษัทนัน้นหว้วนทวนกระแส จ, จิตเข้ามาเพ่งพินิจตูวอัตภาพร่างกายนี้ให้เห็นตามความจริงเมื่อเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ยังยืนมันจะแตกแกระดับอยู่นี้เห็นอยู่อย่างนี้นี่ตัณหาความทะยานอยากต่างๆนั้นมันก็ น, น้อยเบาบางลงเพราะว่า ไม่ทราบว่าจะไปลิ้นโลนก่อโกยถึงกับไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเพื่อให้ได้สมบัตินี่มาเลี้ยงครอบครัวและเลี้ยงตัวเองแล้วเมื่อตายแล้วก็ไปไม่อยู่ในนรกอบายภูมินุ่มเช่นนี้มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะนั่นแหละเมื่อมาทบทวนดูอย่างนี้แล้วมันก็จะเกิด มีได้อดตปธรรมขึ้นมาสำหรับผู้เชื่อนะผู้เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้านะทั้งนี้ก็เพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านรกมีสวรรค์มีอย่างนี้นะบาปมีบุญมีผู้ใดทำบาปทำบาปมากตายแล้วก็ไปถกงนรกถ้าบาปไม่มากถึงข้นนั้นก็ไปเป็นเปลด หรือไปเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตามอำนาจของบาปน้อยบาปมากนั้นเองข้าองค์เจ้ารู้แจ้งด้วยพระปีชาอันยอดเยี่ยม น, นี่แหละถ้าผู้ใดไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างว่านี่นะผู้นั้นมันก็ไม่ยอมละบาปเลยนี่แหละก็ ใครก็จะไปบังคับไม่ได้เพราะมันเป็นสิทธิของใครของเราแต่ถ้าหากว่าไปทำบาปชนิดผิดกฎหมายด้วย อ, อ, อย่างนี้นี่ทางบ้านเมืองก็จะยื่นมือเข้ามาแหละจับกุมกันเข้าไปฟ้องร้องไปถ้ามีมูลความจริงก็ต้องติดคุกติดตารางไปอันนั้น กฎหมายบ้านเมืองนั่นมันก็ไม่ครอบงําบาปบางสิ่งบางอย่างครอบงําไปไม่ถึงอกฎหมายบ้านเมืองนั่นน่ะมีแต่คําสอนของพระพุทเจ้านี่แหละครอบงําบาปเล็กๆน้อยๆได้ทั้งหมดเลยเพระองค์ตามรูปมดบาปน้อยๆบาปใ ห, ใหญ่ทั้งหลายในโลกอันนี้ บุคคลผู้ทำบาปทำกรรมต่างๆนี่ก็ อ, องค์รู้แจ้งไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยผู้ใดมาศึกษาคำสอนของพุตตเจ้านี่ให้ท่องแค่แล้วก็จะได้รู้จักบาปทั่วถึงกันเลยจะไม่ได้รู้แต่เพียงบางส่วนเท่านั้นว่ารู้ไปหมดทีเดียวนั่นเน่ง บาปมันก็มีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอืมันต้องรู้อย่างนี้ผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยนะบาปอย่างหยาบนั่นนะผู้ใดทําลงไปแล้วมันก็ได้รับทุกโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าด้วยเท่ยนปานาติบาตอย่างนี้นะ ถ้าไปฆ่าคนอย่างนี้เจ้าหน้าที่จับได้ก็ต้องติดคุกติดตารางหรือถึงกับประหารชีวิตไปเลยถ้าไปฆ่าสัตว์ที่เขามีเจ้าของห่วงแหนอยู่อย่างนี้เขาไม่ได้อนุญาตเนี่ยเขาฟ้องลองเข้าไปก็มีโทษติดตารางหรือเสียเงินไปอย่างนั้นน ะ, ะการไปรักไป ชอโกงหลอกโวงอสมบัติพวกอื่นมาเป็นของตนหมดนี่นะมันทางกฎหมายเนี่ยเขาก็กล้าไว้เลย น, เนั่นนี่รักทรัพย์มีราคามากอย่างนี้มันก็มีโทษมากม น, นั่นนี่รักทรัพย์มีราคาน้อยมันก็มีโทษน้อยลงอย่างนี้แหละรักทรัพย์ แล้วพันยังทำ้ายเจ้าของทรัพย์ไปอีกอโทษมาก่อนหนักเข้าไปกว่านั้นอีกไปอย่างนี้ไอ้ประพฤติผิดนิสสาจารย์กรรมอันนี้ถ้าหากว่าสมยอมกันนะ่ยกฎหมายก็ไม่เอาโทษได้แต่ถ้าไปข่มขืนทางฝ่ายหนึ่งไม่ไม่พอใจอย่างนี้ ไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่เขาก็เจ้าหน้าที่เอาเรื่องแบบนี้นั่นเองก็ถูกปรับถูกติดคุกติดตารางไปตามระบ บ, บ, บของกฎหมา ย, นนยการพูดเท็จให้ความเท็ต่อสารมูนี่ติดตารางได้เหมือนกันนะนั่นเอง พูดเท็จไปหลอกลวงช่อโกงอสมบัติปืนมันเป็นของตนมโอนี่กฎหมายก็คอบคุมไปได้มันนะการดื่มเหล้าเมาสุราถ้าไปดื่มเหล้าเถื่อนเหล้าผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เขาก็ลับไปปรับไหมได้เสียเงินเสียทองไป หรือว่าดื่มเล่าเมาแล้วอารวาสไปทุบตีกันไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเข้าไปเมื่อเขาเอาเรื่องก็ติดคุกติดตารางถูกปรับไหมเสียเงินเสียทองไปนี่เรียกว่าล่วงสินห้าประการยอมผิดทั้งกฎหมาย ผิดทั้งคาสอนของพระพุทธเจ้าได้รับโทษในปัจจุบันเนี่ยทะลวงศีลแล้ว ผ, ลผิดกฎหมายด้วยนะถ้าไม่ผิดกฎหมายเช่นนี้นี่มังก็ได้รับโทษในปัจจุบันคือมีจิตใจเศ้าหมองขุนมัวบ้างแล้วก็แตกเล้าสามัคคีกันในระหว่างครอบครัว หรือเพื่อนบ้านด้วยกันอย่างนี้โทษที่มันอำนวยผลให้ประจวบ น, นะแล้วก็เมื่อละโลกนี้ไปแล้วก็ไปสู่อาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นนี่โทษของการละเมิดพุทธวญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้นะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อแล้วแต่ แต่กฎธรรมดามันถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ถึงพระพุทธเจ้าไม่อุบัติบังเกิดขึ้นมาไม่ได้ทรงบัญญัติิกขาบทเหล่านี้ไว้กว็าตามใครทำความชั่วเหล่านี้ลงไปแล้วก็มีบาปทั้งนั้นแหละมีโทษทั้งนั้นเลยเป็นอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่ามีโทษแต่เฉพาะที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ ห้ามไว้นี้เท่านั้นไม่ใช่ถึงในยุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกผู้ใดทำบาปมีปานาติบาตเป็นต้นดังกล่าวมานี่ก็เป็นบาปเหมือนกันหมดเลยไม่ว่าแต่มนุษย์แม่สัตว์ไรฉันไปทาบาปเหล่านี้ก็เป็นบาปเหมือนกันนั่นเอง เนี่ยว่ะบาปนี่มันเป็นกฎแห่งความชั่วของโลกมีอยู่อย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่มีมนุษย์มานี่แหละบุญก็เหมือนกันนะมันก็เป็นกฎแห่งความดีของโลกมีมาแต่ไหนแต่ไรอะ่ะผู้ใดเกิดมาแล้วมาทําความดีเอาก็ได้ดีไปนะได้ดีมีความสุขเป็นผลไป ไอ้มรรคผลธรรมวิเศษก็เหมือนกันนะมันก็เป็นกฎแห่งความจริงของสัตว์โลกมันก็แฝงอยู่กับชีวิตของมนุษย์เรานี่แหละกฎแห่งความจริงเหล่านี้นะไม่ใช่มันอยู่นอกกายนอกใจของคนเรานาะเรื่องมรรคเรื่องผลหมดเนี่ยเมื่อมันมีกายมีใจอันนี้มาแล้วมันจริงได้มีมรรคมีผล พิจารณาดูให้ดีผู้ใดมาเห็นโทษแห่งการทำบาป ก, กรรมเบียดเบียนซึ่งกันและกันดังกล่าวมานั้นแล้วก็ตั้งอกตั้งใจเว้นจากความชั่วร้ายทางหลายดังกล่าวมานั้นได้แล้วก็มาพยายามอบรมจิตอันนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิ ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมแล้วก็มาเจริญปัญญาเพ่งพิจารณาธาตุสี่ขันห้าอันเป็นอุปทานะขันคือจิตเข้าไปยึดไปถืออยู่เนี่ยว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยให้เห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราของเขาให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน ตามสภาพความจริงเข้าไปให้เห็นว่าเป็นทุกข์ถ้ามันไม่เห็นทุกข์ด้วยปัญญานี่มันจะไม่เบื่อหน่ายเพราะว่ามันมีตัณหาเป็นเครื่องฉาบผ้าจิตใจไว้มันมีอารมณ์มันมีสิ่งที่ให้เกิดความพอใจยินดี มันมีอยู่ในโลกอันนี้น่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีความพอใจอยู่อย่างนั้นแล้วแม้มันจะเป็นทุกข์มันก็อดเอาทนเอามันจะทนทุกข์ทรมานอย่างไรมันก็อดเอาทนเอาเพราะมันมีตัณหาความอยากความรักความใคร่น่ะเป็นเหยื่อล้อเออมันเป็นอย่างนั้นคนเราน่ะดังนั้นให้พากันพิจารณาดูให้ดี ผีหลอกในโลกอันนี้นะมันไม่มีพิดมีสงอะไรเท่าเหมือนกับตัณหาอาวิชามันหลอกใจของคนหรอกอวิชชาความไม่รู้นี่นะตัณหาความทยานอยากในใจนี่มันเป็นผีหลอกตั ว, ตวสำคัญเลยทีเดียวมันหลอ ก, กจิตใจของคนเรานี่ให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏฏะสงสารอันนี้มานับชาติไม่้วนแล้ว แต่ตอนนั้นคนเรายังไม่ตื่นตัวไม่กลัวผีหลอกเหล่าเนี้ยไปกลัวตั้งแต่ผีหลอกภายนอกนู่นผีหลอกภายนอกนั่นไม่ทราบเป็นตัวตนยังไงอะ่ะไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยแต่ว่าเชื่อตามๆกันมาเท่านั้นเองนั่นไงในส่วนผีหลอกภายในนี่คืออวิชชาตันหานี่อันนี้ ถ้าบุคคลทบทวนทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาเพ่งดูเราเห็นแท้ๆน ะ, ะเมื่อตนไม่รู้ก็รู้ว่าตนไม่รู้นี่นะ น, น, เนะเอความชั่วอย่างนั้นตนยังละไม่ได้ก็รู้ว่าตนละไม่ได้เนี่ยก็ไปไปเห็นแหละเห็นตัวผีหลอกอะนั่นเองความอยากความปรารถนาอย่างนั้นอย่างนั้นออ ก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์อยู่แต่ว่าจนหักละมันไม่ได้นั่นไม่ได้กลัวมันเลยวะนี่มันจะจูงให้ไปทำชั่วอย่างไรทำบาปอย่างไรมันจูงให้ไปผูกพันกับของรักของชอบใจอย่างไรก็ไปตามมันเลยแนี่อย่างนี้นะท่านเรียกว่าไม่เห็นผีหลอกภายในเห็นแต่ผีหลอกภายนอก ไม่กลัวผีหลอกภายในไม่กลัวต่ออวิชชาตัณหามันจะจูงไปสู่ทุกข์ในอาบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นเนื่อนควรพิจารณาดูให้ดีเมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งกิเลสดังกล่าวมานี้ด้วยปัญญาแล้วมันก็จะต้อง ให้ควรดูว่าเพราะอะไรจิตใจมันจึงหลงมันจึงทะเยอทยานอยากอยู่อย่างนี้เมื่อพิารนาดูก็รู้ได้ว่าก็เพราะมันหวงแหนอัตภาพร่างกายนี่แหละมันสำคัญว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนล้วกดดีนลนแสวงหาปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นต้นมาหล่อเลี้ยงมัน แล้วก็แข่งขันกันแบบนี้นะการสแสวงหาปัจจัยสี่เนะพอเห็นคนอื่นนั่นได้มามากกว่าตอนอย่างนี้ก็นึกอิจฉาแล้ว <c oughs> นึกอิจฉาริษยาในใจแล้วแลวกดดิ้นหาไปวันนี้การสแสวงหาปัจจัยนั้นบางอย่างมันก็เป็นบาปเป็นโทษบางอย่างก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษ ก็เมื่อความอยากมันรุนแรงอย่างว่านั้นแล้วมันไม่ว่าลาบาปก็ยอมรับบาปมนี่นั่นแหละนี่แหละมูลเหตุที่คนเราเนี่ยมันพ้นทุกข์ไปไม่ได้นะมันมองไม่เห็นโทษแห่งความไม่รู้มองไม่เห็นโทษแห่งความอยากอันเกินขอบเขตแห่งศีลธรรมอันนั้นเพราะฉะนั้นมันถึงได ทุกข์กมลำบากอยู่ในโลกอันนี้มนุษย์เราดังแสดงมา